การจะมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเป็นที่พึ่งของชาวโลกได้จําเป็นจะต้องมีการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าก่อนต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสัรู้ก่อนพอพระพุทธเจ้าตัดสัรู้แล้วก็ต้องสอนคือต้องเอาสิ่งที่ทรงตัดสรู้ มาสั่งสอนมาเผยแผ่แล้วพอพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วก็จะมีผู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังตัดสรุปขึ้นมาบรรลุ ธ, ธรรมขึ้นมาตามพระพุทธเจ้ า, าถึงจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาได้ต้องมีถ้าเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษา เช่นมหาวิทยาลัยหนึ่งก็ต้องมีครูมีอาจารย์สองต้องมีนักเรียนสามต้องมีหนังสื อ, อต้องมีวิชาความรู้มาเผยแผ่สั่งสอนพอมีนักศึกษามาริ่มมาเรียนก็เรียนจบพอเรียนจบแล้วก็ก็สามารถที่จะ มาเป็นครูเป็นอาจารย์ต่อได้การที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ม, มีอายุยืนยาวนานได้ก็เพราะว่ามีการผลิตบัณฑิตนักศึกษาที่มาศึกษาให้เรียนจนสำเร็จพอสำเร็จแล้วมีความรู้แล้ว ก็ไปเป็นอาจารย์ต่อได้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีนักศึกษามาเรียนไม่มีครูมาสอนโรงเรียนก็เป็นมีแต่ตึกวัมีแต่ตึกกลางวิเทศมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมีแต่อาคารตัวอาคารไม่มีไม่มีการเรียนรู้ ท น, นใดพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนสถาบันการศึกษาที่จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3องค์ด้วยกันคืออาจารย์ผู้รู้คนผู้มีวิชาความรู้ 2. มีการสั่งสอนมีการเผยแพร่ความรู้นี้ให้แก่นักศึกษานักเรียนเมื่อนักศึกษานักเรียนได้มาศึกษา ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ก็จะสามารถมีวิชาความรู้ติดตัวก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นอาจารย์ต่อได้เมื่ออาจารย์รุ่นแรก อ, อายุหมดไปตายไปก็ต้องมีอาจารย์รุ่นที่สองมารับช่วง อ, อาจารย์รุ่นที่สองก็มาทำหน้าที่เหมือนอาจารย์รุ่นที่หนึ่ง ก็มาสั่งมาสอนถ้ามีนักศึกษานักเรียนมาเรียนเดี๋ยวนักศึกษานักเรียนก็จะสําเร็จก็จะได้เป็นอาจารย์นุ่นที่สามต่อไปเนพระพุทธศาสนาของเราที่อยู่มาได้ถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีก็เพราะว่ามีเนี่ยมีอาจารย์มีการสั่งสอนนักศึกษามีนักศึกษามาเล่าเรียนเมื่อมี การน่าเรียนก็จะมีการสําเร็จเรียนแล้วก็จะสําเร็จจบเป็นบัณฑิตแม้เป็นบัณฑิตแล้วก็สามารถไปเป็นอาจารย์ได้นะสถาบันการศึกษาต่างๆที่เราไปเรียนเนี่ยบางทีอาจารย์ที่มาสอนก็เป็นอาจารย์ที่จบจากสถาบันนี้แหละอาจารย์ที่จบจากจุฬาบางทีก็กลับมาสอนที่จุฬาอาจารย์จบที่ธรรมศาสตร์ก็กลับมาสอนที่ธรรมศาสตร์ อาจารย์จบที่สิริราชก็กลับมาสอนที่สิริราชสถาบันการศึกษาจึงสามารถอยู่ต่อไปได้ถ้ามีองค์ประกอบสามองค์นี้เป็นจุดเริ่มต้นต้องมีครบสามถึงจะก่อตั้งเป็นสถาบันการศึกษาขึ้นมาได้ถ้ามีแต่อาจารย์คนเดียวอาจารย์เรียนจบแต่อาจารย์ไม่สอนใคร นักศึกษามาสมัครก็ไม่รับไม่สอนก็ไม่มีไม่มีการเรียนรู้ไม่มีอาจารย์รุ่นที่สองพออาจารย์รุ่นที่หนึ่งตายไปก็จบพระพุทธศาสนานี้ถึงแม้จะมีการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เกิดขึ้นมาต้องให้มีพระพุทธเจ้าตัดสู้แล้วแล้วเอาคาความความรู้ที่ได้รู้นี่มาสั่งสอน ให้แก่ผู้ที่ต้องการจะศึกษาพอมีผู้ที่มาศึกษามาลร่มเรียนมีการสั่งสอนเดี๋ยวผู้ริ่มเรียนก็จะเรียนจบพอเรียนจบก็สามารถทำหน้าที่เป็นอาจารย์ต่อไปได้พระพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นมาได้ถ้ามีพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วเรามาสอนด้วย ถ้าตัดสู้แล้วไม่สอนใครก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าก็เชื่อขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็จะไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านไม่บอกใครท่านตัดสู้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านก็เก็บเป็นความลับไม่บอกใครไม่สอนใคร พอท่านตายไปก็จบนี่เราเรียกว่าพระปัิเจกะพุทธเจ้าคือไม่สั่งสอนผู้อื่นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความรู้ทำเพียงพระองค์เดียวเฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนปัจเจกะแต่ไม่ไม่เผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นยังเราไม่รู้เราว่าในโลกเราเนี่ยมีพระปฏิเจกะพุทธเจ้ามาปรากฏเ ก, กี่องค์ อพราไม่มีใครรู้แต่ถ้ามีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะรู้เพราะจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาจะมีพระธรรมคำสอนของท่านจะมีพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมแล้วก็มาเป็นอาจารย์แทนพระพุทธเจ้าต่อไป ศาสนาพุทธเราเนี่ยมีวันสามคันอยู่สามวันวันวิสาขาบูชานี้เรียกว่าวันเกิดของพระพุทธเจ้าวันทีส่สัมมณะโคดมได้ตัดสรุได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจ ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนใครก็จะไม่มีใครรู้ว่ามีพระพุทธเจ้ามาตัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกวันวิสาขบูชาแต่พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่มีความเพียรมากมีความพยายามมากมีความปรารถนาที่จะก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมา เพื่อให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายไปเป็นเวลาอันยาวนานพระองค์ก็เลยทรงขวนขวายทรงหาบุคคลที่จะสามารถมาศึกษาแล ะ, ะสืบทอดอพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุได้เป็นการสั่งสอนของพุทธเจ้าจึงเป็นการสั่งสอนที่ มุ่งตรงไปสู่บุคคลที่พร้อมที่จะรับคำสอนไม่ได้สอนแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเจอใครก็สอนพระตถเจ้าต้องดูคนก่อนว่าใครเป็นคนฉลาดพอที่จะรับคำสอนได้ทรงเลือกคนที่ฉลาดสุดๆก่อนเพราะสอนง่ายสอนพูดคำสองคำก็เข้าใจ แล้วก็บรรลุพ้นแล้วก็มาช่วยเผยแผ่สั่งสอนได้ก่อนเนะั้นในครั้งแรกของการสั่งสอนพระพุทธเจ้าจะหาคนที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมพร้อมที่จะตัดสูุ้พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้พระองค์ก็รู้ว่าใครจะเป็นผู้ที่พร้อม ผู้ทีะพร้อมนี่พระเจ้ารู้ว่าต้องมีศีลก่อนต้องเป็นนักบวชสองต้องมีฌานต้องมีสมาธิเพราะพระเจ้าได้ส่งปฏิบัติมาแล้วส่งคน้นความมาแล้วด้วยตนเองหรือว่าต้องมีศีลหรือว่าต้องมีสมาธิมีฌานพระองค์ก็เลยท่งเลือกพวกนักบวชก่อนพวกที่เป็น นักบวชพวกที่มีฌานพระองค์ก็จะไปตามสำนักเหล่านั้นครั้งแรกก็สอนพระปัญจวัคคีย์ที่เคยติดสอยห้อยตามพระพุทธเจ้ารู้ว่าพวกนี้ห้าคนนี้มีศีลมีสมาธิมีฌานแต่ไม่มีปัญญาไม่รู้อริยสัจสี่พอสอนอริยสัจสีให้เขาเขาเข้าใจ เขาก็หยุดความทุกข์ได้เมื่อเขารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากกามตัตหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะภวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอพระพอพระปัญจวัคคีย์ได้ฟังอริยสัจสี่ก็สามารถที่จะ หยุดความอยากได้เพราะการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีมัคมัค ก, ก็คือศีลสมาธิแมะปัญญาศีลก็มีอยู่แล้วสมาธิก็มีอยู่แล้วพอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้ปัญญารู้ว่าตัวที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นใครแล้วก็มีสมาธิมีศีลที่จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ก็สามารถหยุดความอยากได้ ก็บรุ้ธรรมในขณะที่ฟังได้เลยอนี่แหละพอพระพุทธเจ้าเปิดโรงเรียนวันแรกสอนให้กับนักศึกษาห้าคนก็มีนักศึกษาคนหนึ่งบรูุธรรมขั้นที่หนึ่งได้ขั้นพระสวดาบาลอ่เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งถ้าเรียกว่าปริญญาก็ปริญญาตี อ, อแล้วเดี๋ยวพอสอนอีกสองสามครั้ง พระปัญจวัคีทั้งห้าก็บรุปิญญาเอกได้เป็นพระอรหันต์ได้กำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปร้อยเปอร์ซนตพระโสดาบันนี้ยังกำจัดได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์ซนตต้องปฏิบัติขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ถึงจะสามารถกำจัดได้ร้อยเปอร์เซเพียงไม่กี่วัน ที่พระพุทธเจ้าเปิดโรงเรียนนี่ก็มีพระอริยสงสารปรากฏขึ้นมาห้ารูปเป็นวันที่มีพระรัตนาตรัยครบขึ้นมาเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาการแสดงธรรมครั้งแรกนี่เป็นวันที่มีพระรัตนาตรัยครบสามองค์มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนมีผู้ บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกพระสงสาวกองค์แรกของพระพุทธศาสนาก็คือพระอัญญาณโกนทัญญะผู้ที่บวชเป็นอยู่เป็นหนึ่งในของเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีได้เคยติดตามรับใช้พระพุทธเจ้าศึกษาปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสัู แต่พอพระพุทธเจ้าทรงเลิกบาเพ็ญทุกกรณีทำความเพียรด้วยการอดพระกายาหารเพียงอย่างเดียวปัญจวัคคีย์ก็เลยเสื่อมศรัท ธ, ธาในตัวพระพุทธเจ้าก็แยกทางกันไปพอพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุก็คิดถึงพวกนี้ก่อนห้าคนเพราะรู้ว่าพวกนี้มีความสามารถที่จะ นำเอาปัญญาที่ได้สงสอนนี้ไปปฏิบัติไปกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้วันสำคัญวันที่สองก็คือวันอาสาฬหาบูชาที่จะมาถึงในปลายเดือนนี้วันเพ็ญเดือนแปดเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์ อันนี้คือวันทุกวันวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนามีวันวิสาขะวันเกิดของพระเจ้าวันมาฆะวันอาสาฬหบูชาวันเกิดของพระพุทธศาสนาส่วนวันมาฆะบูชานี้เป็นวันอะไรกเรียกวันคืนสู่เย้าเป็นวันที่นักศึกษาที่เรียนจบได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมเยียน ะ้าจาย์ใหญ่ะ้าจานองค์แรกมีความรักความคิดถึงก็เลยมาหาโดยไม่ได้นัดหมายกันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเป็นผ้าขีนาศเป็นผ้าอารหันท์ทั้งหมดหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากหลุดพ้นแล้วก็กระจายไปเปิดโรงเรียนตามที่ต่างๆกัน พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปด้วยกันสององค์ให้แยกกันไปไปเผยแผ่ธรรมะใบเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาสอนให้ผู้ที่ไม่รู้ได้รู้กันภายในระยะเวลาเจ็ดเดือนตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกถึงวันเพ็ญเดือนสามเจ็ดเดือน เพราะว่าแปดถึงสิบสองก็สี่แล้วจากสิบสองไปสามเดือนเดือนสามก็อีกสามเดือนก็เป็นเจ็ดเดือนภายในเจ็ดเดือนนี้มีพระอาหารหันต์สะกหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ภายในเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นเองเพราะว่าในระยะแรกนี้ ผู้ที่นักเรียนศึกษานี้จะเป็นพวกนักบวชทั้งนั้นเป็นพวกที่มีมีศีลนักบวชมีศีลเป็นพวกที่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลื่นกายไม่เสพกามไม่เสพรูปเสียงกลกิ่นรสโผฏฐาพะปีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาแล้วก็จริญนสตินั่งสมาธิจนได้ฌานขั้นต่างๆ ก็มีความพร้อมที่จะรับปัญญาที่พุทธเจ้าได้ท่งคนพบความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบคือธรรมะคือพระอริยสัจสี่พอได้รับรู้อริยสัจสี่ก็สําเร็จเป็นพระอราหันต์กันขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปสอนที่สํานักหนึ่งมีพระห้าร้อยรูปพอแสดงธรรมเสร็จ ผู้ฟังทั้งห้าร้อยรูปนี้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์พร้อมๆกันเลยฟังแล้วมันง่าย น, นะ ฟ, ฟังอริยสัจสี่พอ ร, รู้ว่าทุกเกิดจากอะไรทุกคืออะไรทุกคือการเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุของความทุกข์คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากต่างๆวิธีที่จะดับความทุกข์ก็คือให้มีศีลสมาธิปัญญา พอมีศีลก็จะมีสมาธิพอมีสมาธิก็เอาปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มากำจัดกิเลสได้เลยปัญญาเป็นเหมือนมีดสมาธิเป็นเหมือนกำลังผู้ที่จะใช้มีดตัดไม้ได้ต้องมีกำลังถ้าไม่มีกำลังไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้รับประทานอาหารไม่มีเรี่ยวมีแรงถึงจะมีมีดก็ตัดไม้ไม่ได้ไม่มีเรี่ยวแรง ผู้ที่จะตัดกิเลสตัดตัณหาความอยากต่างๆได้ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีกําลังกําลังที่จะหยุดนกําลังหยุดกําลังหยุดก็คือสมาธิพอเวลาเข้าสมาธินี้จิตจะถูกหยุดนความคิดจะหยุดกิเลสตัณหาต่างๆหยุดหมดนนี่คือ การวันสำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนามีสามวันนี้ที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังความหมายของมันเท่าไหร่เราเพียงแต่รู้ว่าเป็นวันอะไรรู้ว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้ารู้ว่าเป็นวันสั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้ว่าเป็นวันที่มีพระสงฆ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เราจะไม่ได้เห็น ถึงความสําคัญของวันต่างๆอ่านี้ว่ามีความหมายอย่างไรวันเกิดของพระเจ้าก็มีความหมายมากที่สุดถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีาาศาสนาพุทธปรากฏขึ้นมาได้ถ้ามีพระเจ้าแล้วถ้าไม่สอนก็ยังไม่มีพระพุทธศาสนามีพระเจ้าแล้วก็ต้องมีการสั่งสอน เมื่อมีการสั่งสอนแล้วถึงก็จะมีการบรรลุธรรมมีพระอริยะสง์สาวปรากฏขึ้นมาก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสามารถทำหน้าที่แทนกันได้ทำหน้าที่สั่งสอนผู้ที่ไม่รู้พระอริยสัจ ส, สีให้รู้และให้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แล้วก็จะรักษาให้มีคำสอนนี้ อยู่ในโลกไปได้นานๆก็ต้องมีพระอริยสงสาวกมาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้ามาช่วยพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าไปทุกแห่งทุกคนไม่ได้ก็มีพระสงฆ์อริยสงสาวกที่พระพุทธเจ้าส่งไปสั่งไปสั่งให้กระจายไปคนละทิศคนละทางอย่าไปทิศเดียวกันพร้อมกันสององค์ เพราะว่าจะจะซ้ำกันให้ยากกันไปใกล้กระจายออกไปนท่านภายในระยะเจ็ดเดือนก็สามารถสร้างพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้ถึงหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปแล้วก็ทย้อนกลับไปก่อนที่ก่อนวันที่พระพุทธเจ้าจะตัดสัลูนี่ไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่รูปเดียวในโลกนี้ไม่มีมาเป็นเวลาหลาย ล้านปีหลายกลับเลยเพราะไม่มีใครมาสอนอริยสัจสี่มีนักบวชมีผู้ถือศีลมีผู้ฝึกสมาธิได้ฌานกันได้อะไรกันแต่ไม่มีใครรู้พระอริยสัจสี่ไม่มีใครรู้ว่าพระอริยสัจสีนี้จะเป็นความรู้ที่จะทำให้ผู้ที่รู้ได้กำจัดความทุกข์ต่างๆ กำจัดการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปได้มีพระพุทธเจ้าต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นระยะก่อนช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้านี้โลกไม่มีพระอาหารหันต์เป็นเวลาอันยาวนานแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้ศม า, ามาประกาศพระธรรมคำสอนปั๊บเนี่ยไม่กี่วันก็มีพระหลันสาวปรากฏขึ้นมาห้ารูป ตอนที่ทรงสวสอนพระปัญจวัคคีเนี่ยสอนสองสามครั้งเท่านั้นเองทั้งแรกก็เกิดพระโสดาบันขึ้นมาองแล้วพอสอนอีกสองสามครั้งก็ได้เป็นพระาลานกันหมดต่อมาครั้งแ้กจึงมีเพียงรูปเดียวเพราะว่าความฉลาดมีมากน้อยไม่เท่ากันคนบางคนฟังหนเดียวเข้าใจบางคนฟังหนเดียวยังไม่เข้าใจต้องฟังอีกครั้งสองครั้ง ถึงจะเข้าใจก็เลยมีความฉลาดไม่เท่ากันเหมือนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในห้องเรียนนี้จะมีนักนักเรียนมีได้เรียนวิชาได้เรียนเกรดไม่เท่ากันบางคนก็สองจุดบางคนก็สามจุดบางคนก็สี่จุดเนี่ยความสามารถที่จะรับรู้ความรู้ไม่ไม่เท่ากันจิตใจของแต่ละคนมีอินทรีย์ไม่เท่ากัน อินรีก็คือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาคือความฉลาดที่จะเข้าใจคำคาสอนต่างๆได้คนที่มีอินรีแก่กล้าก็จะเรียนได้คะแนนดีคนที่มีอินรีต่าก็จะเรียนได้คะแนนไม่ดีเพราะถ้าไม่มีสติแล้วใจมันจะลอย ใช่ไม่มีสติไม่มีสมาธิเนี่ยขณะนี้ยกำลังฟังอยู่แต่ใจไม่รู้ไปไหนแล้วก็ได้คนที่กำลังฟังอยู่บางคนเนี่ยใจไปอยู่แถวพัทยาหรืออยู่แถวกรุงเทพหรืออยู่แถวธนาคารนะจะไปเบิกเงินจะไปยืมเงินมานั่งฟังเทศแต่ไม่ได้ใจไม่ดีอยู่กับการฟังฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่อง ก็เลยเวลาสอบก็สอบตกอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเรียนฟังเทศน์นี่ต้องฟังให้เข้าใจพอมาเข้าใจแล้วจะได้ไปทำข้อสอบได้เรามีข้อสอบอยู่ทุกวันทุกเวลาเราไม่รู้ว่าข้อสอบของเราเป็นอะไรข้อสอบของเราก็คือความอยากต่างๆความทุกข์ต่างๆเนี่ยพอเราไม่สบายใจเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเรากาลังถูกสอบนะ ข้อสอบมาแล้วแล้วเราก็สอบตกทุกทีเพราะไม่สามารถดับความทุกข์ได้ดับก็ดับแบบกลบเอาไว้พอทุกข์ก็ไปเที่ยวกันพอเที่ยวก็หายทุกข์เดี๋ยวพอกลับมาบ้านความทุกข์เก่าก็ยังก็กลับโผล่ขึ้นมาใหม่ไม่ได้หายขาดเพราะไม่ได้ไปทําลายต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คืออยากเที่ยว อยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวอยู่บ้านก็เลยทุกข์พอไปเที่ยวมันก็เลยหายทุกข์แต่พอกลับมาบ้านก็เจอทุกข์อีกถ้าอยากจะให้อยู่บ้านโดยที่ไม่ต้องทุกข์กับกะก็ต้องหยุดความอยากไปเที่ยวไม่ใช่ไปทำตามความอยากต้องฝืนความอยากต้องฝืนความอยากไปเที่ยวถึงจ ะ, ะความอยากเที่ยวมั น, มนถึงจะหายไป ที่ะฝืนได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิเพราะว่าเวลาเกิดความอยากเที่ยวแล้วใจมันสั่นไปหมดมือไม้มันสั่นหรือมันเศร้าซ้อยหงอยเหงา ว, าว่าเหวซึมเศร้าขึ้นมาต้องใช้สติใช้สมาธิหยุดมันถ้ามีสติมีสมาธิก็ทําใจให้สงบพอใจสงบความอยากเที่ยวก็หยุดไปอาการซึมเศร้าอาการว้าเว อาการหงุดหงิดก็จะหายไปก็จะทําให้ฝืนความอยากได้ไม่ไม่ออกไปเที่ยวได้อยู่ในบ้านได้แล้วต่อไปความอยากก็จะหมดไปเนี่ยนี่คือข้อสอบของเราเราเรียนกันแนละ้วแต่เราพอถึงเวลาเจอข้อสอบสอบตกทุกทีเพราะไปทําตามความอยากแทนที่จะฝืนความอยากเรากลับไปทําตามความอยากกัน ความอยากมันเลยไม่หมดความทุกข์มันก็เลยไม่หมดเพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์ขึ้นมาอนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีอายุมาถึงสองพันหาร้อยกว่าปีก็เพราะว่ายังมีพระธรรมคำสอนยังมีพระอริยสงสาร ที่จะเป็นผู้เอาพระธรรมนี้มาสั่งสอนถ้ามีแต่พระธรรมอย่างเดียวนี่จะถึงแม้ว่าจะยังจะมีพระพุทธศาสนาอยู่แต่จะจืดชืดไม่มีชีวิตชีวาอ่านหนังสือธรรมะจากพระไตรปิฎกนี้อ่านแล้วมันจะจืดชืดไม่เหมือนกับเวลาฟังธรรมจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแนละ้วฟังแล้วมันมีชีวิตชีวา สังเกตดูวัดที่มีครูบาอาจารย์วัดที่มีพระอริยสงฆ์เป็นอาจารย์นี่เวลาท่านมีชีวิตอยู่นี่ยวัดจะคึกคักนมีคนเข้าวัดกันมากมายแต่พอเวลาอาจารย์ตายไปแล้วนี่ยวัดนั้นเงียบไปเลยถึงมันจะมีวัดถึงยังมีพระอยู่ะแต่มันไม่เหมือนตอนที่มีอาจารย์อยู่เวลามีอาจารย์นี้เวลาไปพบอาจารย์นี่ ฟังท่านพูดธรรมะแต่ละคำแล้วมันซาบซึ้งมันเหมือนต้นไม้ได้น้ำเนี่ยมันทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาธรรมะมันมีทุกแข่งคำสอนทเจ้านี่เดี๋ยวอ่านที่ไหนก็ได้ฟังที่ไหนก็ได้แต่มไม่เหมือนกับไปฟังคนที่รู้จริงเห็นจริงเวลาฟังแล้วมันมีความรู้สึกแตกต่างกัน ถ้าศาสนาถ้าเหลือแต่พระธรรมคําสอนอย่างเดียวนี้ก็จะเป็นศาสนาแบบต้นไม้ที่ไม่มีดอกมีผลแต่ถ้ามีพระสาวก ม, มีพระอริยสงฆ์สาวกมาสอนเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ยังมีออกดอกออกผลอยู่เพราะคนฟังนี้จะมีศรัทธามีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามมีฉันทะวิริยะก็จะปฏิบัติ ปฏิบัติก็จะมีผู้บรรลุมรรคผลกันแต่ถ้าไม่มีนี่ก็จะต้องรอให้มีนักศึกษาคนใดคนหนึ่งฉลาดพอที่จะศึกษาจากพระธรรมคำสอนแล้วสามารถปฏิบัติ บ, ตบรรลุเองได้เช่นในศาสในประเทศไทยเหล่านี้ก็เราก็ดูตัวอย่างของหลวงปู่มั่นก็ได้นย ก่อนที่จะมีหลวงปู่มั่นนี้ศาสนาก็รู้สึกจืดชืดชืดไม่มีประวัติของพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาแต่พอมีหลวงปู่มั่นมาศึกษามาปฏิบัติอพอท่านบรรลุแล้วทีนี้ท่านก็มาสั่งสอนเ อ, อลูกศิษย์ลูกหาพระเนนที่ไปศึกษากับท่านพอศึกษาเขาก็เอาไปปฏิบัติกันแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันไป ตั้งวัดที่ต่างๆไปตั้งที่ไหนก็มีคนไปกราบไหว้บูชาไปศึกษาหลวงปู่มั่นท่านบรรลุที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ก็มีครูบาอาจารย์หลวงปู่แอนก็อยู่เชียงใหม่แล้วแต่ส่วนใาญ่นี่จะกลับมาอยู่ทางภาคอีสานกันเพราะหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมที่เชียงใหม่แล้ว ก็ได้มีพระไปนิมนต์ให้ท่านมาโปรดญาติโยมที่แถวอีสานท่านก็มาอยู่แถวสกลนครอยู่ประมาณ1ิบปีก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านที่จากโลกไปช่วงนั้นก็มีครูบาอาจารย์พระเนรไปศึกษากับท่านพอเรียนจบท่านก็แยกกันไปตั้งสาขาตั้งวัดกันไป จนปรากฏมาเป็นอาจารย์ต่างๆที่เราคงได้ยินได้ฟังชื่อหลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ เ, เทศหลวงตามหาบัวหลวงพ่อชานี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ไปศึกษาจากจากหลวงปู่มัน่นจะเรียกว่าเป็นยุคฟื้นฟูก็ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงจะหมด ต่อไปก็ลูกหลานที่มาศึกษามาปฏิบัติก็อาจจะอ่อนไม่เข้มข้นก็อาจจะไม่บรรลุธรรมก็ดูวัดแต่ละวัดของครูบาอาจารย์เวลาท่านจากไปแล้ววัดนั้นก็ซบเซาไม่มีใครมาสร้างชีความมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ แต่ก็มีวัดใหม่ๆมีครูบาอาจารย์ใหม่ๆที่เรายังไม่รู้จักที่ท่านมีธรรมต่อไปก็เป็นที่รู้จักของผู้ผู้ที่แสวงหาธรรมกันแล้วก็อาจจะค่อยๆหมดไปก็ได้หมดไปแล้วก็อาจจะต้องรอให้มีคนฉลาดพอที่จะเข้าใจธรรมะจากการอ่านหนังสือและสามารถปฏิบัติได้ ถ้าตาบดา ย, ยังมีคำสอนคือพระไตรปิฎกอยู่เนี่ยก็ยังยังมีมีพระพุทธศาสนาอยู่ได้แต่จะมีแบบลักษณะไหนมีแบบชีวิตเป็น ม, มีชีวิตชีวาหรือมีแบบจืดชื่นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูวัดวาที่ไม่มีพระอริยสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอน วัดวานั้นก็จะรู้สึกเป็นวัดแบบจืดชืดชืดก็มีการปฏิบัติตามคำสอนทุกอย่างมีการเรียนตาราเหมือนกันเรียนพระธรรมเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระอริยสัจสีมีการรักษาศีมีการนั่งสมาธิแต่มันแบบว่าปฏิบัติแบบไม่มีผลเงนีนยปฏิบัติแบบมีแต่กิริยาไม่มีผล เวลาสอนก็เอาธรรมะจุดๆชื่อดๆมาสอนคนฟังฟังแล้วก็ได้ความรู้บ้างแต่ไม่ไม่สมบูรณ์ฟังแล้วก็เกิดความสงสัยขึ้นมามากมายเพราะผู้สอนก็ไม่ได้สอนจากประสบะการณ์สอนจากการจดจาหรือสอนจากการคัดเอาหนังสือ เอาเอามาเอ า, เอามาจากหนังสือพระไตรปิฎกมาการฟังก็เลยไม่มีชีวิตชีวาเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มันเป็นคำสอนที่ไม่ละเอียดเป็นคำสอนที่แบบว่าเป็นหลักแต่ไม่มีรายละเอียด ว่ามีความหมายอย่างไรผู้อ่านบางทีอ่านแล้วแปลความหมายผิดหรือไม่เข้าใจความหมายเพราะเนื่องจากภาษาส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนไปด้วยภาษาคนโบราณใช้คำพูดอย่างหนึ่งพอคนสมัยใหม่นี่ไม่ได้ใช้คำพูดแบบนี้พอไปอ่านแล้วก็เลยไม่เข้าใจว่ามีความหมายว่ายอย่างไรต้องให้มีคนที่ปฏิบัติเนี่ยผู้ที่ ได้บรรลุธรรมเนี่ยถึงจะเข้าใจความหมายว่ามีความหมายอย่างไรเพรฉะนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปแล้วหลังจากที่พระสาวกนี้ค่อยมีกับมีจำนวนน้อยลงไปศาสนาก็จะเป็นศาสนาแบบจืดชืดไม่มีชีวิตชีวา นานๆถ้ามีผู้ที่มาศึกษาสามารถปฏิบัติและบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ก็จะมีผู้มาฟื้นฟูทำให้ศาสนามีชีวิตชีวาไปเป็นยุคยุคซึ่งยังมีเหลืออีกครึ่งหนึ่งอีกสองพันห้าร้อยกว่าปีก็อาจจะมีหลวงปู่หลวงตาบางรูปมาบรรลุธรรมแล้วก็มาฟื้นฟูศาสนากันไป เพราะก็ต้องมีคนฉลาดพอที่จะอ่านหนังสือธรรมะและเข้าใจและนำเอาไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีผู้อื่นสอนมีมีธรรมะเป็นผู้สอนก็พอแต่คนส่วนใหญ่นี้จำเป็นจะต้องมีคนที่สอนรายละเอียดมากกว่านั้นถึงจะสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นี่ก็คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาของพวกเราที่อยู่มาได้นี้จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบสามองค์การจะเกิดขึ้นมาของพระพุทธศาสนานี้จำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้ามีการสอนพระธรรมคำสอนด้วยพระพุทธเจ้าแล้วก็มีบรรลุผู้บรรลุสม็จการศึกษาบรรุเป็นพระอาหารหันตสาวก เมื่อมีแล้วทีนี้หลังจากพระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้ายังมีสององค์นี้อยู่ยังมีพระธรรมคาสอนมีพระอรหันตสาวกเป็นผู้สั่งสอนสาศาสนาก็ยังจะมีการออกดอกออกผลไปเรื่อยแต่ถ้ามีแต่พระธรรมคําสอนอย่างเดียวไม่มีพระอริยสงสาวกเนี่ยทีนี้มันก็จะไม่มีดอกมีผลสังเกตดู ต่างประเทศเขาก็มีการแปลพระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาเยอรมันมีการศึกษากันเรียนรู้การปฏิบัติกันแต่ไม่มีใครบรรลุ ก, กันพวกที่ศึกษาแล้วต้องมาเมืองไทยต้องมาศึกษากับผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยชาวต่างประเทศเขาศึกษาที่ต่างประเทศแต่เขาไม่บรรลุธรรมกัน เราเขาได้ข่าวว่ามีะอาจา์ชาสอนชาวต่างประเทศเขาก็เลยมาหาะอาจารย์ชาะอาจา์ชาท่านรับพระฝระังมาบวชคนแรกระอาจารย์สุเมโตอาจารย์สุเมโตอเป็นชาวเมริกันแล้วก็ศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาพระคำพีแล้วก็มีความสนใจอยากจะบวช ก็เลยมาบวชที่เมืองไทยเพราะมีคนแนะนําว่ามีพระปฏิบัติเอมีพระผู้บรรลุ ธ, ธรรมก็แนะนําให้ไปหาหลวงปูชงป่ชาหลวงปู่ชาท่านก็ไม่พูดภาษาอังกฤษเขาก็ถามว่าท่านสอนอยังไงท่านก็บอกก็เวลาสอนหมาสอนอยังไงสอนคนก็สอนอย่างนั้นหมายังสอนได้ทําไมคนทำไมสอนไม่ได้ออ ท่านก็สอนด้วยตัวอย่างด้วยการกระทําให้เขาทําตามตัวอย่างเอเขาก็ตามแล้วเขาก็แล้วเขก็ค่อยหัดศึกษาภาษาไทยทีละเล็กทีละน้อย อ, อก็อยู่กับหลวงปู่ชาถึงสิบปีมั่งจนมีคนมานิมนต์ให้ไปสร้างวัดที่ต่างประเทศพ อ, อท่านไปสร้างวัดต่างประเทศมีการบวชบวชแล้วบางทีก็มาบวชที่บางไทยออมาศึกษามาหา ผู้ที่มีความรู้ออันนี้ถึงแม้จะมีพระไตรปิฎกแต่ถ้าไม่มีพระอาหารหันต์มาสอนเนี่ยมันจะยากต่อการบรรลุมรรคผลปฏิบัติได้รู้ว่าศีลมีอะไรรู้ว่าสมาธิมีอะไรแต่ปฏิบัติแบบให้มันเกิดผลนี่ไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรเพราะมันจะต้องปฏิบัติค่อนข้างที่จะเข้มข้นน ที่เราไม่รู้ว่าความเข้มข้นนี้ขนาดไหนเราต้องมีความมีมาตรการกำหลาบกีเดชอย่างไรบ้างเช่นเดินเป็นชั่วโมงเดินชมเดินจงกรมเป็นชั่วโมงเนีบางทีอดอาหารเป็นวันวันนี่อันนี้มันเป็นเครื่องมือที่จะต้องมีในการที่จ ะ, ะกำหลาบปัญหาความอยากให้มันอ่อนลงถ้ามันอยู่ดีกินดีอิ่มมีพมันนี่ ยปราบมันไม่ได้หรอกสู้มันไม่ได้ต้องทรมานมันการอดอาหารนี้ไม่ได้เป็นเป็นตัวที่จะทำให้บรรลุธรรมแต่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้กิเลสตัญหามันอ่อนกำลังลงถ้ามันกินอาหารเยอะมันมันเก่งกิเลสมันเก่งก้ า, าหารแต่ถ้ามันอดอาหารแล้วมันจะไม่กล้าไม่กล้าที่จะมา แสดงความอวดเก่งว่าสั่งมันมันจะเชื่อนอนว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อแต่ถ้ามันกินอิ่มมีพี่มันนี่มันจะดื้อให้มันเดินจงกรมมันก็ไม่เดินให้มันเนาะมันจะเอาแต่นอนอย่างเดียวแต่ถ้าให้มันอดทหารหรือให้มันกินอาหารน้อยๆให้มันมีความหิวเนี่ยมันจะไม่ดื้อสั่งให้มันทำอะไรก็ทำนี่คือเรื่องของการปฏิบัตินะ ถ้าไม่ได้ศึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติยังไงก็ไม่มีวันนอกจากเป็นคนฉลาดจริงๆที่จะรู้ว่าจะต้องใช้มาตรการแบบไหนอย่างไรขนาดไหนเพื่อที่จะกำลาบตันหาความอยากที่มีอยู่ในใจให้หมดไปอันนี้จึงจะเป็นต้องมีพออระอรหันตสาวกมาเป็นผู้สั่งสอน ศาสนาถึงจะเข้มข้นศาสนาถึงจะมีชีวิตชีวามีดอกมีผลขึ้นมาถ้ามีแต่พระธรรมคำสอนเพียงอย่างเดียวจะมีพระไต่ปิดดกก็จะมีมีผู้ปฏิบัติมีมีอะไรเหมือนกันแต่ไม่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันสังเกต ด, ดูวัดเราที่เรามีในเมืองไทยเนี่ยมีเป็นเป็นหมื่นวัดใช่ไหม วัดในเมืองแต่และทั้งมีวัดไหนบ้างที่มีพระอับรรูปเป็นพระอาหารกันมีมีพระรูปไหนที่ตายไปแล้วกระดูกกลายเป็นพระธาตุกันบ้างมีแต่พระ ป, ป่าทั้งนั้นพระที่อยู่ตามป่าตามเขาที่ตายไปแล้วกระดูกนี้กลายเป็นพระธาตุแต่พระที่อยู่ในบ้านในเมืองถึงแม้จะมียศมีตําแหน่งเป็นสังฆราชเป็นสมเด็จ ตายไปกระดูกก็ยังเป็นกระดูกอย่างนี้นอันนี้มันก็จะบอกในเวลาไปเรียนกับพวกนี้ก็รู้สึ ก, กเรียนแบบสับ ก, กันเนาะพอฟังเทศพวกนี้ก็นั่งฟังแล้วก็เห็นคนฟังนี่คอพับกันเยอะแยะไปหมดเพราะฟังแล้วมันจืดชืดธรรมะที่มันคันมาจากพระไตรปิฎกฟังแล้วมันจืดชืดมันไม่สดสดร้อนร้อนมันไม่ออกมาจากประสบะการณ์ เวล า, าฟังธรรมะที่ออกมาจากประสบการณ์นี่มันเหมือนนะครับอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเลยฟังแล้วรู้สึกว่าทําให้เราอยากจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยฟังเรื่องอดอาหารเรื่องเดินจงกรมเป็นชั่วโมงชั่วโมงมนีน้บางทีก็ท้าทายอยากจะทดลองดูบ้างเอมันเป็นยังไงวะนั่งนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันเป็นยังไงเดินจงกรมเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นยังไงอดอาหารอดนอนเป็นยังไงเนี่ย อันนี้มันจะต้องเกิดจากผู้ปฏิบัติเลือฟังเรื่องทุดงขวัตก็เหมือนกันฉันมือเดียวเป็นยังไงฉันในบาทเป็นยังไงมันท้าทายนี่คือเรื่องของของพระพุทธศาสนาจะอยู่ไปได้ยาวนานนี่จะต้องมีสององค์ประกอบอยู่แบบมีชีวิตชีวามีดอกมีผลก็คือต้องมีพระธรรมคาสอน และมีพระ อ, อริยะสงสาวกเป็นผู้มาเผยแผ่สั่งสอนถ้ามีแต่พระมีแต่ปุถุชนมาเผยแผ่สั่งสอนก็เหมือนคนตาบอดมาสอนคนตาบอดด้วยกันถึงแม้ว่าจเจ้าตำราของคนตาดีมาสอนคนตาบอดที่มาสอนก็สอนแบบผิดผิดถูกถูกสอนแบบไม่ครบถ้วนบริบูรณ์คนฟังก็เลยฟังแบบผิดผิดถูกถูก พอปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกผลมันก็เลยไม่เกิดขึ้นมาแต่พอมีผู้ที่บรรลุธรรมขึ้นมามาสั่งมาสอนนี่จะสอนแบบมีชีวิตชีวาคนฟังแล้วจะมีความกระตือรือร้นมีความยินดีมีความเพียรที่จะปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามก็จะได้ผลทันที ยุคนี้พวกเราคนไทยโชคดีที่ได้มาเจอยุคของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเป็นหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่สาวเนี่ยสองอาจารย์ไม่ทราบว่าท่านศึกษาอจากไครไม่มีไม่มีความไม่มีไม่มีอาจารย์นะรู้สึกท่านศึกษากันเองจากพระไตรปิฎกแล้วท่านก็ท่านก็ปฏิบัติกันไปทดลองผิดลองถูกเหมือนกับพระพุทธเจ้า หลวงปู่ม่านนี่ท่านกว่าจะบรรลุนี่อายุเจ็ดสิบปีมั้งเพราะตามประวัตินี้ท่านยุคแรกๆท่านบวชแล้วท่านก็มีความเมตตาเอาความรู้เที่ยงที่ท่านมีอยู่มาเผยแผ่สั่งสอนแต่ยังเป็นความรู้ที่ไม่ถึงขั้นสูงสุดท่านก็เลยมัวเสียเวลากับการสั่งสอนผู้อื่นอยู่จนถึงอายุหกสิบ ท่านก็บอกไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีวันสำเร็จท่านก็เลยต้องทิ้งการเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นแล้วก็ไปเปลีกไม่เวกอยู่ที่เชียงใหม่บาเพ็ญตามลาพังของท่านเองศึกษาปฏิบัติของท่านเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์แต่ท่านพอรู้แนวทางแล้วตอนนั้นท่านอาจจะเป็นพระโสดาแล้วก็ได้ไม่รู้ ท่านคงจะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วแต่ท่านยังไม่สามารถขึ้นสู่ขั้นสูงสุดได้เพราะติดภารกิจเหมือนกับพระาอานุนเนี่ยพระาอา น, นุ์ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ไปรับใช้พระพุทธเจ้าก็เลยติดอยู่รับใช้พระพุทธเจ้าอยู่20กว่าปีไม่มีเวลาไปปีกวิเวกไม่มีเวลาไปปฏิบัติ ไม่มีเวลาเจริญสัตสมาธิให้ต่อเนื่องไม่มีเวลาพิจารณาธรรมอย่างต่อเนื่องกิเลสมาเลยไม่ตายตพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วบ้านนลก็ตกงานไม่มีงานทำก็เลยมีเวลาที่จะไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่พอตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่สามเดือนก็บรรลุได้ แต่ยี่สิปีอยู่กับพระเจ้านี้ไว้บรรลุเลยเกะาะชายผ้าเหลืองแต่เกาะแบบไม่ไม่ไดเอาไปปฏิบัติได้ความรู้เยอะได้ยินได้ฟังธรรมที่พระเจ้าแสดงตลอดเวลาแต่ไม่สามารถนำมามาฆ่ากิเลสได้ในตอนนั้นไม่มีเวลาแต่พอว่างจากภา ร, รกิจที่ต้องอุ ป, ปถักรับใช้พรพะเจ้าก็เลยมีเวลาไปปีกขึ้นเวกไปปฏิบัติสามเดือนก็บรรลุ หลวงปู่มั่นท่านก็มีเวลาไปปรีกวิเวกอยู่เชียงใหม่เอาไปปรีกวิเวกท่านก็บรรลุไม่รู้กี่ปีท่านบรรลุแต่รู้ว่าท่านอยู่ที่นั่นสิบปีท่านอาจจะบรรลุแล้วท่านก็ไม่อยากจะออกมายุ่งกับใครท่านก็อยู่ของท่านไปจนมีลูกศิษย์ของท่านมานิมนต์ให้ท่านมาโปรดลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ทางภาคอีสานตอนนั้นท่านอายุเจ็ดสิบ ท่านก็เลยมาอยู่ที่สกลนครอยู่ประมาณสิบปีแล้วท่านก็สิ้นเอยะนวยาสิบปีนั้นก็มีพระเนนไปศึกษากับท่านเป็นจํานวนมากที่ปรากอบเป็นหลวงปู่หลวงตาที่เราได้ยินกันได้ยินชื่อเสียงต่างๆของท่นเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นดังนั้นพระปฏิบัติในยุคปัจจุบันนี้มาจากหลวงปู่มั่นทังนั้น นี่ก็เพราะว่านานๆานจะมีคนฉลาดที่สามารถที่จะศึกษาจากพระไตรปิฎกได้และเข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรอย่างถูกต้องนานๆานานจะมีอย่างนี้สักคนหนึ่งเหมือนกับจะมีพระพุทธเจ้าอันนี้ในระดับของภาษาวกถึงแม้มีพระธรรมคาสอนแล้วผู้ที่ศึกษาถ้าไม่ฉลาดพอก็จะไม่เข้าใจ ศึกษาแล้วฟังแล้วอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าไม่มีใครมาแจกแจงรายละเอียดยกตัวอย่างให้ฟังหรือบอกแบบอบอกแบบต้องป้อนกันต้องบอกวิธีเดินต้องเดินจงกรมสามชั่วโมงต้องนั่งสมาธิสามชั่วโมงต้องอดข้าวต้องอดหลับอดนอนต้องไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวไปอยู่ในป่าที่น่ากลัว อย่างนี้ต้องมีคนมาสอนมาบังคับมาบอกถึงจะถึงจะคิดเป็นเพราะเรื่องเหล่านี้กิเลสมันไม่ชอบให้เราคิดกิเลสมันกลัวที่เหล่านี้มันไม่ชอบให้เราไปมันไม่ชอบให้เราไปอยู่ที่น่ากลัวไม่ชอบให้เราไปอยู่ที่โอดอยาก กันดารขาดแคลนพระแม่เราอยู่ที่สมบูรณ์นะพระแม่เราอยู่ในเมืองะเนี่พระที่บวชอยู่ในเมืองที่ไม่ได้ศึกษาตำราของหลวงปู่มันน่นนีก็จะติดอยู่กันอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองแล้วมันสมบูรณ์ทุกอย่างปัจจัยสี่อยู่อย่างสุขอย่างสบายก็คิดว่านี่คือชีวิตของพระเป็นอย่างนี้มาบวชเพื่อมาทําหน้าที่เรียนเรียนเสร็จแล้วก็มาทําหน้าที่สวดสอน ก็มีงานสวดงานกิจนิมนต์ก็ทำหน้าที่โปรดญาติโยมญาติโยมอยากจะทำบุญวันเกิดก็สวดให้เขาเขาอยากจะไหว้สังฆทานก็รับให้เขาเขาจะทำบุญบางสกุลให้คนตายก็ทำให้เขามีงานศพ น, นิมนต์ไปชักภาพไปนิมนต์ไปสวดมาติกาก็ไปก็เลยคิดว่านี่กลายเป็นงานของพระไปหน้าที่ของพระไป ก็เลยไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติกันไม่มีปฏิบัติทุดดงกรรมาฐานทุดดงก็คือข้อทุข้อทุดดงต่างๆเช่นบินทบาทเป็นวัดฉันในบาทเป็นวัดฉันมือเดียวเป็นวัดแล้วก็อยู่ป่าทุดดงต้องอยู่ป่าการอยู่ป่านี้ก็คือข้อทุดดงข้อหนึ่งแล้วก็ถือผ้าสามผืนใช้ผ้าบางสกุลเนี่ย อันนี้เป็นทุดงขวัญ ส, ส่วนกรรมฐานก็คือการเจริญกรรมฐาน4ี่สอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อมาเป็นอารมณ์ควบคุมใจให้สงบจเจริญกายากตาสติกรรมฐานก็คือมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับร่างกายให้เฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องของร่างกายเพียงเดียวถ้าอยากจะคิดคิดถึงอาการ32ของร่างกายก็ได้เดินไปก็คิดว่าร่างกายของกูมีอะไรวะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสำรวจดูเลยเคยสำรวจดูบ้างมะเปล่าร่างกายเรามีอะไรบ้างมีอาการต้อง32อาการรู้เปล่าเช่นมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีเยื่อในกระดูกมีม้ามมุ้ยมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้มีสมองมีน้ําเลือดน้ำดีน้ำสเลดน้ําเหลืองน้ําอะไรต่างๆเต็มไปหมดเนี่ยมีอยู่ในตัวเราแต่เราไม่รู้เลยว่าเรามีอะไรบ้างรู้แต่ว่าตอนนี้มีเงินในบัญชีกี่ตังค์มีภรรยากี่คนมีสามีกี่คนแต่เรื่องของตัวเองนี่ไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้าง เดินไปทำอะไรก็คิดแต่เรื่องเงินในบัญชีคิดแต่ในเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูกเลยไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองมีอะไรร่างกายของตัวเองมีอะไรลืมแม้กระทั่งแก่เจ็บตายลืมไปว่าร่างกายนี้เดี๋ยวมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเวลาเจ็บทีนี้โอ้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเวลาจะตายทีแม้สิบสามคนนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมา แต่ถ้าเราคิดอยู่กับเรื่องของร่างกายไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเราจะไม่ตื่นเต้นตกใจกับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เราจะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจเราก็จะสงบไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้อันนี้คือกรรมฐานยกตัวอย่างกรรมฐานมีหลายอย่างอันนี้ก็เรื่องร่างกายก็อย่างหนึ่งเรื่องเวทนาความรู้สึกก็อีกอย่าง เรื่องอารมณ์ของจิตก็อีกอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมฐานใช่ไหมเราต้องเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ <_ s 1> เพื่อที่จะทําให้ใจเราไม่วุ่นวายไปกับมั น, <_ s 1> <_ s 2> นเวลามันเกิดหรือเวลามันดับจะรู้ว่าเป็นธรรมดาเหมือนกับลมพัดอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวลมก็พัดเดี๋ยวลมมันก็หยุดเนี่ยเราไม่ค่อยไปตื่นเต้นตกใจกับเรื่องลมพัดอะไรแต่เราก็ไปตื่นเต้นตกใจกับเรื่องเงินเรื่องทองพอเงินหมดนี่ตื่นเต้นเงินขึ้นมา ไม่ที่มันเป็นเรื่องธรรมดามีมีได้มันก็มีเสียมีมาก็ต้องมีไปเราไม่คิดกันเราก็เลยโง่กันแล้วก็เลยทุกข์กันนี่แหละคือหน้าที่ของการมาบวชที่แท้จริงมาบวชเพื่อมาศึกษาทุดงคะวัตรมาศึกษาเรื่องกรรมฐานมาศึกษาแล้วก็นาเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ศึกษาจศึกษาจบได้รับปริญญาบัตรก็ เอาไปสอนคนอื่นยังไม่ได้ปฏิบัติไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนอื่นแล้วก็ไปทําหน้าที่สวดศพ ส, สวดอะไรให้กับเอญาติโยมเญาติโยมก็คิดว่านี่คือหน้าที่ของพระแต่มันนิมนต์พระอยู่เรื่อยฮะพระไม่ไปก็ไม่เข้าใจแนตะ่มันไม่รับกิจนิมนต์ไม่ทําหน้าที่ของพระอีกอคนที่ไม่ทํา คนที่ทำหน้าที่ของตนกับถูกหาว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเพราะไปทำหน้าที่ที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่พวกที่ทาหน้าที่ไปทำหน้าที่ที่ไม่เป็นหน้าที่ก็เลยถือว่าเป็นพวกที่ทำหน้าที่พวกที่ไม่ทำก็เลยถือว่าไม่ทำหน้าที่เขาไม่รู้ไงเพราะเขาเกิดมาเขาก็เจอแต่แบบนี้เขาก็เลยคิดว่าต้องเป็นแบบนี้กันนะ ศาสนานานๆถึงจะมีคนฉลาดอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยมาฟื้นฟูให้เรารู้จักศาสนาที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่มีคนฉลาดมาฟื้นฟูความจริงเหล่านี้เราก็จะได้แต่เปลือกของศาสนาจะไม่ประทับใจมันไม่อิ่มไม่อิ่ม อ, อใจเหมือนกับได้ได้กินเนื้อของศาสนา เนื้อของศาสนาก็คือพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราต้องนำเอามาปฏิบัติเพื่อให้มันบรรลุธรรมขึ้นมาให้หลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ย อ, อันนี้แหละถึงจะเป็นเนื้อของศาสนาซึ่งนานๆเราก็ต้องอาศัยคนฉลาดมาเอาม า, เอามาแจกเอามาจ่ายให้กับพวกเรามาสอนพวกเรา ต่อไปก็อาจจะต้องเสื่อมไปหมดไปแล้วอีกสักพักก็อาจจะมีคนใหม่มาศึกษาต่อก็ยังจะมีไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีใครฉลาดพอที่จะมาศึกษาพระไตรปิฎกได้ด้วยตนเองและปฏิบัติบรรลุมรรคผลได้เมื่อถึงเวลานั้นศาสนาก็จะหมดไปพระพุทธเจ้าก็ทำานายว่า ของของพระ อ, องค์นี่ก็คงประมาณห้าพันปีนี่ก็มาเกือกนึ่งมาครึ่งหนึ่งแล้วอก็ก็ยังยังมีคนมาคอยฟื้นฟูนฟนอยูอ่ก็คงจะมีฟื้นฟูนไปเรื่อยๆจนถึงห้าพันปีพอถึงห้าพันปีแล้วก็คงจะหมดคนที่จะมาสนใจเพราะคนที่จะมาสนใจศึกษามาบวชก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยอืม ตอเดี๋ยวนี้ความเจริญทางโลก ม, มีมากคนก็ติดอยู่กับความเจริญทางโลกหาความสุขทางโลกมันง่ายกว่าเออแต่มันไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเท่านั้นเองเป็นความสุขที่จะมีความทุกมากระหน่ำในภายหลังต่อไปคนที่ไม่ฉลาดคิดไม่เป็นก็คิดว่าเป็นความสุขลหลงไหลกันไปแล้วพอเจอความทุกข์เศร้าโศกเสี ย, ยใจตายก็ไม่รู้จะทําอย่างไร นีนะ่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยสรุปก็ต้องมีพระพุทธธรรมประสงค์จะมีพระพุทธธรรมประสงค์ต่อเนื่องก็ต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมการจะมีการบรรลุธรรมก็ต้องมีผู้ที่บรรลุธรรมมาเผยแผ่สั่งสอนถ้าไม่มีต่อไปมันก็จะไม่มีการบรรลุธรรม มีการเรียนรู้มีการศึกษามีการปฏิบัติแต่ไม่มีการบรรลุผลเพราะไม่ได้ศึกษาอย่างถูกต้องไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องศาสนาก็จะค่อยๆหมดไปในที่สุดอาราเนาวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาาปุราปุริปุเรนติสาครัง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 จันโทปนะหราโสยธามนิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโุสัพพรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตาโรธม วาทานติอายุวันโนสุขังพลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทาง facebook 456 YouTube 182วิทยุ43รับฟังบนเขา57รวมทั้งสิ้น738ท่านเจ้าค่าวันนี้แต่700นะ่ะ YouTube เยอะนะร้อยแปดสิบเริ่มเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆย t u b e นี้ตอนเริ่มต้นก็สิบฝ่ายี่สิบรู้สึกมันเข้าง่ายกว่า f a c e b o ๊ k ด้วยนะเพราะว่าไม่ต้องเป็นสมาชิกก็เข้าได้ถ้าเป็น Facebook นี้ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนอถ้าใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้นะ เข้ามาถามที่นี่ก็ได้หรือว่าจะเขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้ถ้ายังไม่มีใครที่นี่อยากจะถามก็จะให้ทางบ้านส่งคำถามเข้ามาก่อนเอาคำถามทางบ้านก่อน คำถามข้อต่อไปจากทางไลน์ค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะความเข้มแข็งของจิตใจที่ได้รับจากการนั่งสมาธิภาวนาต่างจากการฝึกความอดทนจากการทํางานที่ยากลําบากอย่างไรคะก็เหมือนกั น, นเพียงแต่ว่าการทํางานนี่มันใจมันคิดการปฏิบัติธรรมนี้เราหยุดความคิดนอกนั้นก็เหมือนกันก็ต้องใช้ความเข้มแข็งอดทน เทื่อจะควบคุมความคิดนี้เราก็ต้องบางทีต้องให้มันเดินนานๆเดินนานๆเพื่อไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดินแล้วก็บังคับให้มันอยู่กับการเดินแตถ่ถ้าทำงานเราก็ยังใช้ความคิดอยู่มันก็ต่างกันแค่ตรงนั้นผลก็คือต่างกันถ้าใช้ความคิดจิตก็ไม่ว่างไม่สงบถ้าหยุดความคิดจิตก็จะว่างจิตก็จะสงบ การทำงานถึงแม้จะมีลักษณะเหมือนกันแต่ต่างกันที่ทางจิตใจคำถามข้อต่อไปจากทางไลน์ค่ะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะหนึ่งการที่จำเป็นที่จะต้องอยู่ต่างประเทศถือว่าเป็นกรรมไหมคะเพราะไม่ใช่เมืองพุทธ ดังนั้นยากมากที่จะได้ทําบุญกับพระอระหันต์ต้องกลับไปเมืองไทยหรือต้องฝากเงินคนอื่นไปทําบุญให้หรือบางทีต้องทําบุญทางเน็ตค่ะอ๋อแล้วเราไม่เข้าใจเรื่องของการทําบุญไงว่าเราสามารถทําได้ทุกแห่งทุกคนการทําบุญนี้เพื่อคลายความตนนีความความหวงแหนในข้าวของเงินทองและตัดความโลภอยากได้ น, นี่คือเป้าหมายของการทำบุญอีกเป้าหมายนึงก็คือกำจัดการใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกใช้เงินไปกับความอยากต่างๆเป็นการก่อภพก่อชาติ mm hmm. งั้นถ้าเราเข้าใจหลังนี้แล้วเราทำบุญกับใครก็ได้ไม่ต้องทำบุญกับพระอรหันต์ไม่ต้องทำบุญกับพระ พ, พุทธศาสนาก็ได้ทำกับขอทานทำกับสภากาชาติไทยสภากาชาติสากล องค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่เราก็ทำได้เพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็อยากจะสนับสนุนพุทธศาสนาซึ่งสมัยนี้ถึงแม้เราจะไปอยู่ต่างประเทศเราก็โอนเงินได้เดี๋ยวนี้วัดวาเขาก็มีบัญชงบัญชีขอเรารู้จักหมายเลขบัญชีเราก็โอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาสู่วัดได้แต่การที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้อง อาศัยมีวัดมีมีครูอาจารย์สอนออถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็หายากเช่นชาวต่างประเทศที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติก็ต้องเดินทางมาที่ประเทศไทย เ, ออเออมันก็อยู่ที่ว่าเราต้องการในระดับไหนถ้าเรายังอยู่ในระดับทำบุญทาทานอยู่ยนีอยู่ในต่างประเทศก็ทำได้ทำที่ไหนทำกับใครก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ในระดับของการปฏิบัติ เราจะต้องไปมีที่ที่มีครูมีอาจารย์มีสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติถึงจะสามารถปฏิบัติสามารถศึกษาและปฏิบัติให้บรรลุธรรมได้ คำถามข้อต่อไปค่ะคุณป้าของโยมอยู่ห้อง i อซซึ่งตอนนี้สมองซีกหนึ่งเสียไปแล้วเราแปดสิบเอร์เซนไม่รู้ตัวอยู่ได้โดยใช้เครื่องช่วยต่างๆอยา ก, กาเปลี่ยนถามพระอาจารย์ค่ะว่าในขณะที่หัวใจยังเต้นอยู่ซึ่งถือว่ายังมีชีวิตอยู่นี้วิญญาณยังไม่ออกจากร่างไปเราสามารถทำบุญให้ป้าได้ไหมคะและป้าจะได้รับบุญที่เราทาหรือไม่และควรทาบุญอย่างไร เพื่อให้ป้าได้รับบุญที่เราทำเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่ป้าต้องจากร่างกายนี้จริงๆป้าจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะก็การที่เราดูแลป้ารักษาป้านี่ก็เป็นการทำบุญให้กับป้าอยู่แล้วการทำบุญก็คือการช่วยเหลือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นฉนั้นขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เราก็ช่วยเหลือไป หาหมอหายาหาอาหาร ห, หาอะให้ท่านเมื่อท่านไม่สามารถหาได้นี่ก็เป็นการทําบุญอยู่แล้วที่เราต้องทําบุญแบบกวดน้ําไปก็เพราะาท่านไม่อยู่แล้วเราเลยทําบุญแบบที่ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ไม่ได้เราก็ต้องทําบุญแบบฝากเข้าไปส่งเข้าไปทําบุญแล้วก็อุทิศบุญที่เราทํานี้ส่งไปให้เขาแต่ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นี่เราทําโดยตรงก็คือ ช่วยเขาดูแลเขาให้เขามีความสุขเนี่ยอันนี้แหละเป็นการทำบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่ คำถามข้อต่อไปจากคุณมินค่ะกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะอยากถามพระคุณเจ้าว่าเมื่อเรานั่งสมาธิทำใจทำจิตสงบตามความประสงค์ได้แล้วแล้วให้เกิดความสว่างในสมาธิได้ในทุกครั้งที่เราเข้าสมาธิแบบนี้ได้อยากถามพระคุณเจ้าว่าแบบนี้เรียกฌานขั้นต้นหรือเปล่าคะก็อย่าไปสนใจชื่อมันเลยขอสนใจตัวมันดีกว่า ่ามันสงบมันเย็นสบายจิตเป็นอุเบกขาปล่อยวางวางเฉยได้หรือเปล่าไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆได้หรือเปล่าอะไรมาสัมผัสก็ไม่สะเทือนใจใครด่าก็เฉยร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่วุ่นวายรับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ได้แต่ไปสนใจชื่อไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะหลงทาง ไปค่ค้นหาชื่อเลยไม่ไปค้นหาตัวเราปฏิบัตินี้เราต้องการตัวมันทางสายปฏิบัติเรายังไม่ค่อยพูดว่าตอนนี้อยู่ชั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามอันนี้เป็นสำหรับพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติชอบค้นหาชื่อกันพวกปฏิบัตินี้เขาหาตัวตัวก็คือความอิ่มเหมือนกินข้าวนี่เราค้านหาชื่อมานหรือเปล่าตอนนี้อิ่มขั้นที่หนึ่งเป็นยังไงอิ่มขั้นที่สองเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจเรามันอิ่มขั้นไหน กินไปจนกระทังมันกินไม่ลงนะกินทั้งมันอิ่มจนกระทั่งมันเต็มเต็มที่แล้วเนะี่ยมันก็ถ้าจิตเรายังไม่อิ่มก็ทำให้มันอิ่มทำให้มันสุขให้มันสบายคําำถามข้อต่อไปจากทาง u t ท b e คุณทวิชาค่ะจะเรียนถามว่าเวลาถือศีลแปดนอกจากจะจะเอื้อต่อการนั่งสมาธิแล้วยังได้บุญด้วยหรือเปล่าคะ กบุญทั้งนั้นน่ยการรักษาศีลก็เป็นบุญนั่งสมาธิก็เป็นบุญเพราะบุญก็คือความสุขใจความสงบใจนี่เองเป็นแต่ว่ามันยังจะไม่ได้ผลมากท่านั้นเองเพราะศีลและรักษามันยังไม่บริสุทธิ์ไม่ต่อเนื่องตลอดเวลารักษาบางเวทบางช่วงบางช่วงก็ขาดนี้บางบางช่วงก็ไม่รักษามันก็เลยแบบมันยังไม่ออกดอกออกผลปลูกต้นไม้แบบ ปลูกได้สามวันก็ย้ายไปปลูกอีกที่หนึ่งมันก็เลยมันเหมือ น, นต้นบอนไซมันก็เลยไม่โตสักทีมันต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นบวชไปเลยถือศียนยาวไปเลยศียนจะได้บริสุดต่อเนื่องสมาธิก็ต้องปฏิบัติทุกวันจนกระทั่งจิตมันสงบได้ตลอดเวลามันถึงจะเกิดบุญเกิดผลขึ้นมาอ คำถามต่อเนื่องจากคุณทวิชาค่ะจะเรียนถามว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วเจอความว่างความสงบแล้วจิตยังไม่รวมในขณะนั้นก็ยังมีความคิดควบคู่ขึ้นมาเป็นบางครั้งเราก็เห็นก็พยายามพุโทโธเพื่อดับความคิดไปการการปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องหรือเปล่าคะถูกก็พุโทโธไปเรื่อยๆอย่าแต่อย่าปรยาดให้ความคิดมันหยุดความอยากมันจะทาให้เร า, เาไม่พุโทโธนะ จะคอยดูแต่ความคิดนะอย่าไปสนใจความคิดรู้ว่ามันคิดก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปคำถามข้อต่อไปจาก ค, คุณครูเลื่มค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ครับกิเลสในส่วน ท, ที่เป็นกุศลมีไหมครับไม่มีหรอกกิเลสเป็นอกุศลไงทำเป็นกุศลเป็นกิเลสเป็นฝ่ายอกุศลทําเป็นฝ่ายกุศล ฝ่ายกุศลของธรรมคืออะไรก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยเป็นกุศลส่วนอกุศลก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเนี่ยเป็นอกุศล คำถามข้อต่อไปจากคุณแพมค่ะคำว่านั่งสมาธิแล้วจิตรวมลงหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะมันจะรู้สึกอย่างไรคะหมายความว่าต้องทําเองถึงจะรู้สิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นอขอให้พุโทโธไปคําเดียวเนะี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรนั่งเฉยๆแล้วก็พุโทโธไปเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงพูดไปจนวันตายก็ไม่เข้าใจเพราะของพวกนี้มันไม่ได้เข้าใจจากการฟังการพูด มันเข้าใจจากการปฏิบัติการสัมผัสรับรู้ด้วยตนเองสันติโกคำถามข้อต่อไปจากคุณเศรษฐวุฒิค่ะการครองเรือนสามารถบรรลุโสดาบันได้ไหมครับได้เพราะว่าการจะบรรลุไม่ได้อยู่ที่ว่าครองเรือนหรือเป็นพระการบรรลุเป็นโสดาบันนี้ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกาย จิตร่างกายของเราและความรู้สึกนึกคิดนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเออแล้วก็ปล่อยวางมันได้ปล่อยร่างกายให้มันแก่ได้ปล่อยความเจ็บให้มันเกิดได้ปล่อยให้ร่างกายตายได้ไม่ไปทุกข์กับมันก็เป็นพระสวรามันได้คำถามข้อต่อไปจากคุณปาริดาค่ะเป็นโรคซึมเศร้าจะเจริญสติอย่างไรดีคะ ก็พุทธโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่มันซึมเศร้าเพราะอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากมันก็เลยซึมเศร้าอยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ดังใจอยากก็ซึมเศร้ามาพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปอยากได้นู่นได้นี่พอมีพอกินก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ร่างกายไม่เดือดร้อนก็อย่าอย่าไปอยากกับอะไรมาพุทธโธพุทธโธเดี๋ยวความอยากก็หยุด พอความอยากอยู่แล้วอาการซึมเศร้าก็จะหายไปคําถามข้อต่อไปจากคุณกีค่ะการทําร้ายสัตว์ที่มีพิษเพื่อปกป้องไม่ให้ทําร้ายคนจะบาปไหมคะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกก็เราก็ต้องกักขังมันไว้ไม่ให้มันมาทําร้ายผู้อื่นถ้าถ้าเราไปปล่อยให้มันอยู่ในที่ของมันได้ก็เอาไปปล่อย เช่นพวกสัตว์ ร, ร้ายต่างๆแล้วก็ไปปล่อยมันให้มันอยู่ในป่าอยู่ไปตามธรรมชาติแต่ช่วงที่เราจับมันแล้วเรายังไม่มีเวลาไปปล่อยมันเราก็ขังมันไว้ก่อนแย่ไม่ควรขังมันไปจนมันตายเพราะว่ามันก็เป็นการาสร้างความทุกข์ให้กับเขาเราก็ต้องคิดถึงหัวกเขาหวกเราเราก็ไม่อยากจะถูกขังอยู่ในคุกในในกรง เขาก็ไม่อยากจะถูกขังอยู่ในคุกอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นถ้าเราจับเขาแล้วเราก็มีเวลาก็ใบ ป, ปล่อยเขาไปให้เขาอยู่ในที่ที่เขาเขาควรจะอยู่ คำถามข้อต่อไปจากคุณ SJ ทาง Youtube ค่ะโยมได้อุเบกขาจากสมาธิยังมีความสุขมากเวลาระวังสิ่งต่างๆได้แม้จะชั่วคราวทำให้นึกว่าถ้าวางจากปัญญาได้ถาวรจะสุขแค่ไหนอุเบกขาจากสมาธิจะมีน้ำหนักเท่าอุเบกขาจากปัญญาไหมคะหรือต่างกันตรงไหนคะ อ, อ๋อน้ำหนักเท่ากันต่างกันตรงที่มันถาวรหรือไม่ถาวร ถ้ามีปัญญาแล้วมันจะอุเบกขาอย่างถาวรกับเรื่องเรื่องนั้นๆเพราะมันมันปัญญามันจะตัดเป็นเรื่องๆไป<ม>ถ้าอุเบกขากับแฟนถ้าอุเบกขาด้วยสมาธิมันก็อุเบกขาตอนเข้าสมาธิพออยากสมาธิอุเบกขาหมดก็ไปกังวลไปห่วงแฟนและ<ม>แต่ถ้าชาใช้ปัญญาตัดแฟนได้พิจารณาว่าแฟนนั้นก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอน<ม> ไปอยากไปกังวลก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรเขาไปเปลี่ยนอะไรเขาได้ถึงเวลาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าใช้ปัญญามันก็จะอุเบกขาตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิมันก็ต่างกันตรงนั้น คำถามข้อต่อไปจากคุณอิสรีค่ะไม่เคยตื่นเช้าตักบาตรพระแต่ทําบุญบริจาคสร้างวัดศาลาบริจาคค่าอาหารแก่พระเนนประจำโดยการโอนเงินส่วนใหญ่อย่างนี้ถือว่าเราทําบุญครบไหมเจ้าคะคือคำว่าครบนี่เราก็ไม่เข้าใจความหมายว่าครบยังไงเพราะคือทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ การทำบุญไม่จำเป็นจะต้องให้มันครบถ้าเราไม่มีกำลังเราก็ทาดูว่าเขาขาดส่วนไหนแล้วก็ไปสนับสนุนส่วนนั้นเช่นทวัดขาดแคลนอาหารเราก็ไปทำเรื่องอาหารส่งอาหารสเสบียงส่งค่าเงินไปซื้ออาหารทวัดขาดกุฏิก็ส่งเงินไปสร้างกุฏิ ต้องไม่จำเป็นว่าจะต้องทำครบทุกอย่างเหมือนสมัยนี้จัดของสังฆทานนี้ต้องมีปัจจัยสี่ก็มีผ้าชิ้นเล็กๆหนึ่งชิ้นมีปลากระป๋องหนึ่งกระป๋อง <c oughs> จะได้ครบปัจจัยสี่มีอาหารมีจีวรมียาแก้ปวดอยู่สองสามแผง <c oughs> ข้าวสารหนึ่งถุงเล็กๆมันไม่ได้ประโยชน์หรอกของนี้ผ้าเอามาไม่รู้จะไปทำอะไร มันไม่แต่เป็นเรื่องของคนเข้าใจผิดว่าทําบุญแล้วจะต้องให้มันครบอคนจะทําบุญให้มันครบในส่วนที่เขาขาดส่วนที่เขามีแล้วไม่ต้องไปทําเอส่วนที่มันขาดอยู่เรื่อยๆคือของใช้ที่ใช้อยู่เรื่อยๆของที่ใช้แล้วหมดอย่างเงี้ยแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่อย่างเงี้ยเทียนไขอะไรพวกเนี้อ่มันใช้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดแต่ของบางอย่างผ้าจีวรนี่มันเผืนหนึ่งมันใส่ได้เป็นปีอย่างเงี้ย แล้วอยากจะทำให้มันครบไม่มีเงินซื้อผืนใหญ่ให้ห่มแล้วก็ซื้อเป็นผ้าคีริ้วมาให้ซื้อเป็นผ้าเช็ดเช็ดอะไรมาให้พื้นผืนนุ่งเล็กเอาไปใช้ก็ใช้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยซื้อซื้อของสังฆทานเนี่ยมันเสียเงินเปล่าๆเพราะผู้รับจะไม่ค่อยได้รับประโยชน์จากของที่ญาติโยมซื้อมาก็แป้งก็เต็มวัดไปหมดก็แป้งก็เล็กใส่น้ําได้ไม่กี่ขันเนี้ใช่ไหม ก็ถ้าอยากจะถวายก็แผงก็ซื้อก็แผงใหญ่ๆที่เขาใช้ได้อะไรอย่างนั้นจะดีกว่าแต่บางคนไม่รู้เรื่องไม่เคยมาศึกษาเขาก็เข้าใจว่าพวกที่พ่อค้าแม่ท้าเขาจะจัดมาเนี่ยเป็นของที่ทางวัดขาดแคลนต้องการเขาก็เลยไปถึงก็เอาเลยเอามาสองชุดสามชุดแต่ไม่มาไม่มาอยู่วัดถ้ามาอยู่วัดแล้วถึงจะรู้ว่าเขาไปใช้มันได้หรือเปล่านะ คำถามข้อต่อไปจากคุณแม่มคะ่ะตอนนี้ทุกข์มากโดนคุณพ่อจับผิดจ้องมองตลอดเวลาที่เห็นหน้าเราจากเป็นลูกที่เขารักมากลูกไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นร้องไห้จนไม่มีน้ำตาลูกกลับมาฟังพระอาจารย์พอดีระหว่างฟังก็พุทโธพุทโธจิตก็ไม่สงบมีแต่คำถามเต็มสมองเลยเจ้าคะ่ะลูกจะทาอย่างไรดีเจ้าคะ ก็หย re really right ุดความคิดให้ได้ก่อนพยายามหยุดความคิดอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆใครก็จะทำอะไรอย่างไรอย่าไปคิดไม่เกี่ยวกับเราตอนนี้ปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่เขาทำอะไรปัญหาของเราอยู่ที่เราไปคิดถึงการกระทาของเขาเราต้องหยุดความคิดของเราก่อนด้วยการพุทโธพุทโธไปไม่ใช่การพุทโธก็ไม่ใช่ว่าจะทำปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยยิ่งขณะที่มันฟุ้งซ่านนี้มันอาจจะ ต้องพุโทโธจนเหนื่อยเลยต้องต้องสู้กับมันแบบกัดไม่ปล่อยอาจจะต้องพุโทโธเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนกว่ามันจะหยุดคิดพอมันหยุดคิดแล้วใจเราก็จะเบาจะสบายแล้วพอเราสบายแล้วเราก็มาคิดทางปัญญาได้คิดด้วยเหตุผลว่าการที่คนอื่นเขาจะพูดอะไรเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราเนี่ยเราไปบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเหมือนเป็นนม ลมพัดนี้เราจะไปสั่งให้ลมพัดลมหยุดไม่ได้คนจะพูดจ้องจับผิดเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เราอยากจะจับผิดก็ปล่อยก็จับผิดไปถ้าเราไม่ผิดเราไปมีปัญหาอะไรถ้าเราผิดก็ดีสิเราจะได้รู้ว่าเราผิดเราจะได้แก้ไขได้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราต่อไปเราก็จะไม่เครียดกับความจับผิดของผู้อื่นที่เราเครียดเพราะเราไม่อยากให้เขาจับผิดเราเราคิดว่าเขารักเราเขาต้องไม่จับผิดเราเขาต้อง คิดว่าเราเป็นคนดีเป็นคนน่ารักนี่เป็นความคิดผิดของเราเองเราไปอยากให้เขามองเราในแง่ดีเราไม่ยอมให้เข า, ามองเราในแง่ไม่ดีนี่เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ต้องยอมรับว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะมองเราในแง่ดีแง่ร้ายก็เรื่องของเขาเราขอให้เราดูตัวเราเองก็แล้วกันว่าเราดีหรือไม่ดีก็แล้วกันถ้าเราไม่ดีเราก็ควรจะแก้ไขปรับปรุงตัวเอง ถ้าดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็แสดงว่าเขาไม่รู้ความจริงของเราแต่เบื้องต้นนี้ถ้าเรายัางคิดแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธหยุดความคิดที่ฟุ้งซ่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วเมื่อใจสงบแล้วก็ค่อยมาคิดเรื่องเราเหล่านี้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเขาจะจับผิดเราเขาจะว่าเราจะอะไรเราก็เฉยเราก็ฟัง ถ้าเขาสิ่งที่เขาพูดถูกแล้วก็สาธุเป็นเหมือนคนชี้ขุ้มซัพย์ให้เราเอเพราะความผิดของเรามันเป็นโทษเป็นเป็นพิษกับเราถ้ามีคนมาบอกเราจะได้แก้ไขเอมันก็เป็นเหมือนได้ขุ้มซัพย์ขึ้นมาอดังนั้นเราไม่ต้องกลัวคําพูดของคนอื่นเขาจะพูดอย่างไรการความควา ม, ความรู้สึกของเขาต่อเราเขามีอย่างไรเราไม่ต้องไปกลัวเขาเราห้ามเขาไม่ได้ขอให้เรารู้จักตัวเราก็แล้วกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณมีนค่ะถ้าเราปฏิบัตินั่งสมาธิช่วงแรกแรกเราเอิบอิ่มกับการนั่งมีความสุขมีปิติแรงอยากอยู่แต่ในสมาธิไม่อยากลืมตาขึ้นมาเลยพอเราทำได้เราทิ้งช่วงเป็นอาทิตย์แล้วกลับมานั่งใหม่ทำไมถึงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้คะพระอาจารย์ก็เพราะว่าเราไม่มีสติไงสติที่จะพาให้จิตสงบนี้เราไม่รักษา ออจากสมาธิเราก็ทิ้งมันออพอถึงเวลาจะมาใช้มันก็มันก็หายไปเสร็จแล้วเราไม่รักษาสติไว้ยพอเรามีสติแล้วเราต้องรักษามันไว้อย่าให้มันหายไปพอหายไปแล้วกว่าจะได้มันคืนมามันยากยั่งเวลาฝึกสตินั่งสมาธิได้แล้วต้องพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆต้องนั่งอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะง่ายเพราะมันจะชานาน คำถามข้อต่อไปจากคุณกิติยาค่ะกราบเรียนถามค่ะพระอาจารย์โยมเจริญสติตั้งแต่ตื่นคือเดินกำหนดซ้ายขวายกของกินข้าวแต่ก็ยังขาดสติอยู่เพราะเวลานั่งสมาธิจะทำให้วูบหลับไปค่ะโยมต้องแก้ไขอย่างไรคะขอคำแนะนำพระอาจารย์ค่ะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะกินอาหารมากเกินไป งลดการรับประทานอาหารลงกินเพื่อกินเพื่ออยู่กินเพื่อให้มันไม่ขิวก็พออย่าไปกินให้มันอิ่มนะพอกินแล้วรู้สึกจะอิ่มก็หยุดกินแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปแทนถ้ากินสามื้อก็ลดลงเหลือสองมื้อหรือถ้ากินสองมื้อก็ลดเหลือมื้อเดียวอันนี้จะช่วยเรื่องความง่วงได้หรือว่าถ้ายังง่วงอยู่ก็จะต้องเดินอย่าพึ่งนั่งเดินเยอะๆเดินจงกรมแทนแทนที่จะนั่ง เดี๋ยวเนี่ยมันจะต้อง ม, มันเมื่อยมันเหนื่อยแล้วมันก็อาจจะไม่ง่วงหายง่วงแล้วก็ไปนั่งต่อคำถามข้อต่อไปจากคุณวลวง์ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าการปฏิบัติของเราถึงขั้นไหนครับเพราะไม่มีครูอาจารย์ยืนยันครับไม่ต้องรู้หรอกขอให้รู้ว่ามันสงบหรือไม่สงบอมันคิดหรือไม่คิดแค่นั้นพอแล้ะมันอยากหรือไม่อยากรู้แค่นี้ ถ้ามันอยากอยู่ก็ยังไปไม่ถึงไหนถ้ามันยังคิดอยู่ก็ยังถ้ายังควบคุมความคิดไม่ได้ก็ยังไปไม่ถึงไหนถ้านั่งแล้วมันไม่สงบมันไม่นิ่งก็ยังไปไม่ถึงไหนทําเอาลู่แค่นี้ก็พอคําถามข้อต่อไปจากคุณภริดาค่ะ นั่งสมาธิมีอาการร่างกายแปลกๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะพิจารณายอมรับสิ่งที่ไม่ปกติแบบที่ใจยอมรับได้อย่างจริงใจได้อย่างไรคะอาการที่บอกเช่นตัวโครงอย่างแรงขอคำแนะนำด้วยค่ะก็เรานั่งแบบไม่มีสติไงเรานั่งแบบเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้ใจมันมันมันปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมา นี่ไม่ใช่วิธีนั่งวิธีนั่งต้องมีงานให้มันทำต้องให้มันควบคุมมีอะไรควบคุมมันมีสติควบคุมให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือให้มันอยู่กับลมหายใจไปแล้วอาการต่างๆมันจะมีน้อยมีเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรือไม่มีเลยก็ได้ที่มันมีอาการต่างๆเพราะเราไม่ควบคุมใจปล่อยให้ใจมันผลิตอาการต่างๆขึ้นมา เวลานั่งที่ถูกต้องต้องมีอะไรควบคุมมีพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือว่ามีการดูลมหายใจไปอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดตอนแล้วอาการต่างๆที่เล่ามาให้ฟังนี้จะไม่เกิดหรือเกิดก็จะน้อยแล้วมันก็จะดับไปหายไปถ้าเราไม่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไป คำถามจากคุณมินนะคะถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยๆเกิดขาชาขึ้นอยากให้ดับได้ไหมคะหรือกำหนดอย่างไรให้ขามันหายชาก่อนออกจากสมาธิค่ะ อ, อ๋ออย่าไปอยากบังคับมันไม่ได้มันจะชาก็ปล่อยมันชาไปเดี๋ยวมันก็หายเองไม่ชาก็เลยมันก็ต้องหายถ้าเรานั่งสมาธิเราอย่าไปสนใจเรื่องของร่างกายปล่อยมันเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเราไม่ไปสนใจแต่ นอนตั่งสมาธิมันต่างตอนต่างต่งจากนอนหลับเพราะมันมีสติมันรู้ตัวอยู่เมื่อรู้ก็ปล่อยมันเหมือนก็คิดว่าเหมือนตอนที่เรานอนไปก็แล้วกันมันจะเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยมันไปมันไม่ตายหรอกให้รู้อย่างงี้ไม่ต้องไปไปอยากแล้วมันใจจะจะฟุ้งขึ้นมาจะเครียดขึ้นมาแล้วจะนั่งแล้วจะไม่สงบยั้นอย่าไปสนใจถ้ายังอยากจะนั่งต่อก็พูดโธต่อไปหรือดูลมหายใจต่อไป เดี๋ยวอาการต่างๆของร่างกายมันก็จะหายไปเองคำถามจากคุณสุรสีค่ะเวลาสมาเวลาทำสมาธิจะเห็นสแสงสว่างที่ตาและทำให้ตาร้อนผมอยากให้แสงนี้หายไปทำอย่างไรครับ อ, อ๋อก็อย่าไปดูมันสิให้อยู่กับพุทโธไปให้ดูลมหายใจไปออถ้ามีแสงมีสีมีเสียงมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปรับรู้ คำถามข้อต่อไปค่ะข้อที่หนึ่งค่ะการปวดของผู้หญิงจาเป็นต้องโกนหัวเพื่อบวชชีไหมคะถ้าถือศีลแปดแต่ไม่โกนหัวสามารถปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นได้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะออการโกนหัวมันก็เป็นการละสักกายทิฏฐิคือการถือตัวว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราถ้าเรายังไปยึดติดกับร่างกายเราก็ยังจะต้องทุกข์กับมันอยู่ เรารักความสวยความงามของร่างกายพอมันไม่สวยงามขึ้นมาเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ไปยึดติดไม่ถือว่ามันเป็นตัวเราของเรามันจะสวยไม่สวยเราก็ไม่ทุกข์ไม่กังวลกับมันฉะนั้นคนที่เขากรรนหนนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะละสกกายทิฐิความหลงที่ไปยึดไปติดกับร่างกายของตนเองแล้วมันสะดวกสบายสำหรับคนบวชจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องผมตัดปัญหาเรื่องผมไปเลย หวีก็ไม่ต้องมีแชมพูก็ไม่ต้องมีไม่ต้องไปสระไปย้อมไปอะไรอาบน้ําใช้สบู่ก้อนเดียวใสบายอไม่ต้องเช็ดให้มันแห้งอะไรนั่นมันตัดภาระไปเยอะคนที่ปฏิบัติธรรมนี้ต้องการตัดภาระทางร่างกายให้ให้ให้เหลือน้อยที่สุดหรือเท่าที่จําเป็นจริงๆจะได้มีเวลามาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ แล้วไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวฝนเดี๋ยวผมงอขึ้นมาเดี๋ยวผมร่วงขึ้นมาเดี๋ยวต้องไปหาหมอไปหายาเดี๋ยวผมยาวก็ต้องไปตัด อ, อะไรวุ่นวายไปหมดค่ะคำถามคำถามต่อเนื่องนะคะถ้าพ่อแม่ยังรู้สึกว่าเราอายุน้อยที่จะบวช อายุ24ปีอยากให้ทำงานใช้ชีวิตทางโลกให้ประสบความสำเร็จก่อนแต่เรามีใจศรัทธาต่อพระศาสนาอยากเดินปัญญาจะมีวิธีพูดกับพ่อแม่อย่างไรดีคะอ๋อก็บอกว่าเป็นเรื่องของเราในเมื่อเราอยากจะบวชก็ก็คิดว่ามันก็เป็นอาชีพที่ดีถ้าบวชแล้วอยู่ไปก็เจริญในในในธรรม มันก็ไม่เห็นมีความเสียหายตรงไหนออยิ่งถ้าบวชนะถ้าบวจอายุมากมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการบวชนี้จะต้องเป็นการฝึกฝนอบรมนิสัยใจคอถ้ายิ่งแก่ก็ยิ่งดัดยากไม้แก่ยิ่งดัดยากไม้อ่อนนี่มันยังดัดง่ายอยู่เออือบางทีพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังถ้าเา็าไม่ฟังมันก็อยู่ที่เราว่าเรามีความแน่วแน่ต่อการบวชหรือเปล่าถ้าเรามีเราก็อาจจะต้อง หนีไปบวชหรือไม่งั้นก็อดข้าวประท้วงจนกว่าเขาจะอนุญาตให้บวชอันนี้ก็อยู่ที่เราด้วยว่าเราใจเราแน่แน่หรือเปล่าถ้าเราใจเรายังไม่แน่เราก็อาจจะค่วยเขวได้ใครมาพูดอะไรมาทักอะไรหน่อยก็กตัดสินใจไม่ ไ, มได้อันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราและถ้าเราทำตามความคิดของเรา และขัดความต้องการของพ่อแม่เราจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนั้นฮอพระพุทธเจ้าเป็นบุญด้ต่อไปพ่อแม่จะได้พึ่งเราได้ต่อไปเรามาบวชแล้วเราบรรลุธรรมมีธรรมะพ่อแม่ก็จะศึกษาจากเราเพราะศึกษาจากเรามันง่ายกว่าศึกษากับคนอื่นอยากจะถามอะไรก็ถามได้อย่างไม่ต้องเกรงใจนั่นการบวชเนี่ยดีบวชขอให้ บ, บวชแบบบวชจริงนั้นเอง ปวดเพื่อที่จะปฏิบัติให้หลุดพน้นแล้วเราจะเป็นที่พึ่งของคนได้อีกมากมายกายกองคำถามข้อต่อไปจากคุณนิชนันค่ะเคยไปนั่งสมาธิพอนั่งมันจะปวดไปทั้งตัวปวดมากจนนั่งไม่ได้ทำไมมันถึงปวดขนาดนั้นคะลกิเลสมันต่อต้านเนี่ยดูหนังทั้งคืนไม่เห็นปวดเลยนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนไม่ปวดนะปวดฉี่ยังทนได้เลย มันอยู่ที่เราอยากจะทนหรือไม่อยากจะทนนะพอเราไม่อยากจะทนมันก็เลยรู้สึกว่ามันปวดมากถ้าเราอยากจะทนแล้วมันรู้สึกว่าไม่ปวดแล้วนั่นเป็นเรื่องของความรู้สึกหลอกลวงเราคําถามจากคุณฮอลลี่ค่ะโยมจะพัฒนาการปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะพัฒนาสภาวะของจิตให้สามารถวางอุเบกขาจากสิ่งต่างๆได้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะก็ต้องฝึกที่สติก่อนนะต้องมีสติทั้งวันทั้งคืน ควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้คิดให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรแต่อย่าให้คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดก็ต้องใช้คําบริกรรมมาหยุดมันถ้ามันไม่คิดก็ให้รู้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เอาคําถามสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายจากคุณมินค่ะเคยลองนอนทําสมาธินึกพุโทโธตลอดในการหลับตา ทำแล้วไม่รู้ไม่รู้ตัวเองเผลอหลับไปแต่เมื่อรู้สึกตัวขึ้นใจมันอิ่มมากเหมือนเพิ่งหลับตาไปอยากทราบว่าการที่พระท่านทำสมาธิตอนการนอนคือไม่ใช่การนอนจะรู้ตัวทุกขณะที่หลับไปหรือเปล่าคะเรียกว่าพักกายใช่ไหมคะแต่จิตเราไม่ได้รับแบบนี้หรือเปล่าคะ<ม>พระอาจารย์ถ้าอยู่ในท่านอนมันหลับทุกคนนั้นเวลานอนก็ถึงแม้จะทำสมาธิก็เป็นสมาธิเบื้องตน้น